ตตาปรมตตโนมาปาราณสีรจามหาจเนหิเจทพุตังกเวสเปศิตีสัทวดุราสปุริตตั้งไลตังยิ่งใจมวนหมูอันนั่งอยู่นำนามิสัทธามากัง ผมก่อสร้างต่างบุญเฮต้านนุนบ่อขาดศีนแก้วอาเตียมมาพาวนาคำเจ้าแล้วนั่งเฝ้าฟังธรรมเป็นบุญนำบ่อน้อยจักจองหอยตัวไปเฮสุขใจจัดนี่บ่ลีกลีนี่หายกันว่าตายความนาบุญแก่กะตัวตัน ก็กุมพันไปเกิดจันฝ้าเลิดไปบนหรือเกิดเมือง้นลุ่มไต่บ่ออยากไร้เครื่องขี่กันปารามีสุดยอเตียงได้รอดในระพัน ดังพาธาโรงยานทีไว้สอนบอกไว้เป็นมายว่าบุญบ่ลายแต่ใสบอ่หอนได้เป็นดีบุญบม่มีมากล้นบอ่อาจปนสงสารจะถึงดบปานกำนาย่อนบุญแก่การนำไปพระสอนไขดังนี้กวรกึ่ดทีปิจารณา ฟังธรรมา จ, จ่าใจจุงจังไสเอาสารธรรมนิทานเก่าก่อนเช่นปูมอนดัมมาดังรุคขาต้นไม่มีความไขหลายอันคือกิ่งมันใบดอกลูกหน่วยออกตาหน้ามีเปือกหนา้าปีซ่อนตั้งแก่นลนไปใน กันคนใดจังใจยอมใจได้จูอันอันจุงป้ากันมวนหมูฮับปากอยู่ฟังไปเราจะใครติดต่อตามบาดคอบาลีนียายมีแต่เก้าหื้นหนุ่มเทายิ่งใจสัตท่าลหลใหญ่น้อยหูที่ถอยตามรายบัดนี้และนะ ตาตาพระมตาตตโตนามาปารณสีราจาันวาพญาปารณสีตอนองอาจคือตาพรมมาตรราชบุญเรืองย <c oughs> ินขี่เครื่องมอนเสวยย้อนลูกเก้าบุตตาบ่อหันมาต อ, าอาาดาโบกกว่าตั้งใดเฮ่คนในซอไซหมดเสียงไว่หอดจัน ให้บอหันสักผู้ว่าเจ้าอยู่แดนใดเจ้าหอใจพรหมตตราร้อนไม่มาตำนาวาสันได้จ่าดังอีมันลีกลี่นนิไฮลวดพันภายเข้าป่าบอปอกนาะขึ้นมาหรือมารณนะหมุบหมู่ตกค้างอยู่แดนใด จุ่มนังในหนุ่มนาตั้งแม่เจ้าเทวีตุกเครื่องขี่ลายหลากจูผู้หากเวรวานย้อนปีญยาอ้วงหอยหักยอดซอยบุญนาเจ้าปารานยอดใหญ่อดเยินใดตามทำเอาบุญกรรมเป็นใหญ่อดกังไกในใจคานิ่งใดเกิดเหล่าว่าวันผูกเจ้าควายมา ก็แสวงหาส่อพอยังเจ้าดอสายเมืองกันเจ้าบุนเรืองยศใหญ่คานิ้งไขในใจก่อฮือคนในหน่อยใหญ่คือนางก่อมใจกันยานำนางป้าละดมเหางามบ่สาวมัตตานีตัวงามดีใจถอยแสงตำก้อยโซกา แสงเววารำร้องไปอยู่ห้องหอคำกันยานำนุ่มเท่าวังแวดเฝ้าเป็นปริวานก็มีหันแลยนาผูนาทีวะเสกันวันลุนรุงเจ้าเต้าเป็นเจ้าพรมตัดราชาก็เรียกโหราผู้ใหญ่เข้ามาใกล้หอไหน แล้วจากใครทำเล่าว่าดุรธ า, าโหราจุงปิจารณาฮือแจงตามเก้าแห่งปิ่นเท้าว่าลูกแห่งเราฝากนาหนีละกว่าไปไหนครือบีไยมาตองในแห่งห้องกาญาดับจิตตามู่ปู่ตกข้างอยู่แดนใดพิิจารณาไปเฮือทีแล้วจุงจี้ตามทม อย่าบังอําลีเป็นลบจากเส้นปิ่นเต้านักแล่เบาตันหูจุงเก่าตามมีหูราบอดีผู้ใหญ่ก็อน้อมใบทุนสาทมจ่าตากำเนิดวันเดือนเกิดและปีแห่งดอปุรีหนุ่มเนาตามกองเก่าเดิมมาแล้วลับตาหูคิวนับขอนิวตัวไป รวดเร็วไวแต่เหล่าปูหมอเทาโหรากอทุนสาขับไว้ว่าคาแดพระบาทไทยผู้บานอันว่าราชากุมม่านน้อยนาดขอไร่ป่าต่อจนกวังเมาวนปั่นบาได้นี่กว่าไปไก่กันจักไปซอไซบอดจอบไดดังไม กันข้อหายเสียงขาดเจ้าน้อยนาจอมควันจักป่าสาวสะวันนอเหนืองามอาคื้อเหลือคนมาเมืองตนบ่อจ้าบ่ล้ากว่าสาววันจักได้หันแจ้งที่บ่มีตีสงสัยกัมปีไข่เป็นแก่นเตียงมีแม่นดีลีขอเจ้าปุรียศใหญ่ย่าเอาไม่เครื่องกาแดเตื้อ ต่างสุดวาราจันวาพญาพรหมตัตยอดยา่าฟังคำเก่าวทุนสาแห่งโหราผู้เท่าเต้าเกิดเหล่าคนหนึ่งใดยินสงสัยบอกาจริงมีราชจะองการทำโหราจยนแถมเหล่าวัดดุราเก้าหมอตายตันได้ทวายเก่า เฮาหูตามมีว่านอปุรียอดซอยข้อจังหอยต่อจนได้มงวนเตียวต่องไปสู่ห้องแดนไก่บ่มีไผ่จบใดกันข้อใหญ่ตารุนมดหายสูนป้นขอจักป่ายอดสาวสรีปอกปุรีบ่จ้าบ่ลำกว่าสามวัน ท่านไขปันก่าวแก้ว่ามีแน่สัต์จังเราได้ฟังที่แล้วบอกการแกอสังกาเหตุบุตตาที่ราชปานางนาฏแป่งเมืองผู้งามเรืองบ่เศร้ามาอยู่เฝ้าพังกาแต่วันว่าหลวงแล้วเอาพวกแกโยธาตังเสนาลายแหล่ไปแวดแห่เอานางมาห่อฟังภาษา ตามโบโราณราชประเพณีย่ำร้อยทีมืดคำจูผู้พำเล่งหันสลีสุพันหล่อเบายังอยู่เฝ้าหอคำส่วนบุญนำโลค่าปัดผักหน้าหายไปตันมาใครก้าวถอยว่ามีข้อจองห้อยมาปานกำตัวหันมาไกล แยอได้ผันภายกันข้อหายเสียงคอดจักนำยอดสาวสลีมาเป็นเทวีแถมเล่าซ่อนคนเก่าเดิมอ่อนหรือใส่ผู้ทอนหน่อไทยจักได้ดังใหม่ปิ่งแป้งมาแอบแฝงรวมข้างนับอ่านอ้างสองสามดูบอง้ามแต่เล่าขอหมอเท่าโหราปิจารณาแถมใหม่ พอหือไข่แถมคำตีนั่นโหราจาร์ผู้เท่านบก้มเก่าทุนสาว่าพิจารณาไข้แล้วบอกกัดแก้ักกาไก่หนอหอใจโอโหรสดาจากป่าดังดาส า, าวสาวันจากต้องตันป่าไมมาอยู่ไปหอคําเป็นดังคาเก่าแก้มีเตียงแต่ดีลี ันบ่มีดังกก่าขอตันเต้าเนือหัวเอายังตัวแห่งขาไปหลับซาแต่งฟันแดดเตอร์เ <c oughs> มื่อนั่นพร้มมาตัดเต้าเจ้าซ้ำทำเหล่ากำไปว่าสีลงไว้ยอดซอยงามจื่นจ้อยเปิ่งเปลาพงเป็นสาวหนุ่มเนาอันแห่เข้าเมืองมา แต่วันว่าเมื่อคำลักขณาพัมกมดีบ่ใจสาวดงรีป่าไม้อันลูกดอกไทยป่ามาจรือที่นั่นหมอโหราผู้เทาคดตัวเข้าไปหาย้อมือสาวไว้ก่าวขอตันเต้าเนื้อหัวอินดูตัวคาเทาขอเต้าเจ้าคุณนา อย่าได้จากเก่าอูหือแก่ผูคนได้จุงอดใจไห้ท่าเหือล่ำกว่าสววันจริงจักหันแจ้งทีบอมีตีสงสัยข้าขอใครเก่าแจ้งตามปื้นแห่งปินเต้าว่านางงามเล่าน้อยนาดอยู่ภาษาดพังกาบอใจสาวดงนาป่าไม้เป็นสาวลุ่มใ้เมืองคน บ่อใจตนลูกเต้าฟ้าจากดาวดงรีส่วนสาวสาลีงามยอดจักมารอดไปลาุนกับดอกคุณบุญใหญ่มีแต่ใส่ตามกำขอองค์คำเจ้าฟ้าอุดอยู่ท่าดากอยเดตือ เมื่อนั้นพระญาพรมหมมาตัดอง์อาจก็โอกาสปาตินยาแกหัราภูเทาว่าดูราเจ้าหมอตายกำมากลายลับลีอันตันจีครมาเราบ่จากเก่าอือแกผู้คนได้จักอดใจเยินไหวบคบไข่สาวัน กันได้หันเป็นแก่นถูกตัดแม่นตามกำรังวันนำไล่แลเราจักแพ่สมณะคุณจักกำหนดกูเชื่อตามไปเอื้อจูอันอันกันสาวันวารอดเจ้าน้อยยอดบุญดาบ่อขึ้นมาดังกาวเราจักเป่าคนได้ฮเร็วไวไปคาเฮความนามารณา กันปาติญญาว่าแล้วเต้าตนแก้วผู้บ้านก็ให้โหัวราชาันผู้เท่าปิกปอกเต้าเงอนตนก็ออมีหันและนะ <c oughs> กันโหัวราชาันผู้เท่าปิกปอกเต้านีไปเจ้าห่อใจพรหมตตรารกนิ่งขวาดปิจารณาว่าผู้รานี่ใส ตั้งแต่ไท้ฟังลังมันจะสั่งดังอันมีดังนั้นดีดีมันไขว่าตีเหนมันว่าเจ้าดอกจันบุญนาวิบากมารอดไกลหื้อปันไม้เวิวนจักหื้อคนน้อยใหญ่ไปซอไซแสวงหาตามปาราข้างขอกตามบ้านออกแดนไก่ ตามดงไผ่ป่าไม้บอ่จอจบได้ดังหมายกันกำหหยเสียงขาดเจ้าน้อยหนาดบุญนาจักปอกมาบอกจ้าบอล่ำกว่าสาวันมันไขปันเป็นแกน่นเตียงมีแม่นตามคำเจ้าหอกคำพรหมตตราดกานนิ่งขวาดหันตันแซงไข่ปันบอกเล่าแกนา่นังน่อเนาเทวี อันมองขีศกไม่ตั้งขาดใจกันยาตั้งเสนาหน่อยใหญ่ฮือหูไข่จูคนๆว่าลูกตนผู้เก่าจักฮือเป็นเจ้าปุรีแต่หลายปีหลวงแล้วก็ว่าใครแอวเตียวไปสู่เวียงใจต่างดาวแดนเขตเต้านานาเฮียนสิปาวิเศษสปาวะมนยัน เือตัวมันนั่นใดหูแจงไข่สิปักุณจักกำหนดทรงอยู่หือได้อยู่สดศืดีไปหลายปีแต่เหล่าปิกปอกเตา่าขึ้นมาแต่วันว่าก่อนกี่มาเกาวจี้ไข่ปันว่าตัวมันไปรอถึงเจ้ายอดระสีกลางดงรีป่าไม่จบแจงไข่ทรงยาน อยู่เมื่อนานบ่โนยใดหยอดซอยสาวสวรรค์จริงป้ากันลผภาคออกมาจากดรงด้านถึงวิญญาณส่วนดอกที่ปลายหนอกเวียงใจเฮือสีนงไว้หนอลานั่งอยู่ท่าศาลาคอพิตาป่เต้าขุนลาเป่าคนใน คือเร็วไวไปสู่ยังที่อยู่ศาลานำนางมาเป็นไปอยู่ตีไกหอกคำมันไข่กั๊มไหลแลหลอผ่อแม่บัดเดียวแล้วรวดเร็วผากนาบ่หูกว่าแเด่นได้ละใส่ใจน้อยน่าคือได้มาดเครื่องกามันนั้นนาใจยาบบ่สุภาพตามกอง ลายัางสองพ่อแม่อันเท่าแก่รวยแรงตัวมันแข่งใหญ่กาป้อยลีนานีไก่จุงตามใจมันแอวกันมันแล้วใจมันเตียงจักพันปอกเตา มาติเก่าเวียงใจจุมคนใดอามาดผจราชโยธาอย่าเครื่องกาคื้นรอดมันออกสอดคนเดียวมันย่อมเตียวปอกได้ย่าซอไซแสแวงหา เสียเวลากว่าจอยการใหญ่น้อยมีหลายจุงคงควายก็สร้างตามไฟอ่างไผมันเจ้าหอจันทร์พรหมตระแสงห่าหาดโกธาคือคนนำนามวนหมูใด้ผ้ามูเล่งหันก็มีหันแลยนะ อาปามัตตานีส่วนนางมัตตานีบาไปใดอยู่ไปหัวใจมีนางในหนุ่มเทาวังแวดเฝ้าเป็นปริวารเขาจะหวานอ่อนอ้อยฮืนนางจื่จ้จอยยินดีโพจนามีหลายสิ่งรสายิ่งนานะาเขานำมาเกณฑ์ยืนฮื้นางจื่เจ้ยจม เืิมขีขมบนเศร้าตุกคำเจ้าเอาใจส่วนนางจังไรใจหยาบบอกกลัวบาปตัวตันมีใจมันจืนสู้ว่าได้อยู่ห่อใจอุบายได้เกิดไว้บันบัดนี่ได้ดังคาดิ้งจักได้พิงรวมพางกับเจ้าจ้างบุญมีเป็นเตวียกใหญ่หื้อไผ่ไตยิงใจ มีหลวงลายหนุ่มเท้านบกมเกาอันจุลีนางใจพี่บาปใบแสงโศกไหมนนำนารำไรหาบ่อเหือดร้อนไม่เดือดริรน ตีอกตนฟาฟาดดังจักขาดใจตายว่าปีบุญภัยเป็นเจ้าป่าหนองเนาเตียวมาจากนงนาเถื่อนทองถึงรอดทองปุรีซ้ำลักนีจัก้า <c oughs> บอกว่าไปไหนบอมีใจไฟห้อยกวนละปล่อยตัวนางกางดงควางป่าเศร้าือได้เข้ามารณา <c oughs> บัดนี้ป้ามารอถึงที่จอดเพียงใจป้่อยนี่ไก่ลีกลี่ลาน้องนี่เขื่องกานั่งป้าลาใจถอยแสงรำถอยไหลผ า, ากานจุมป้ารีวานกอมใจหันนังเอาไม่เววาก็ก้อยจาลมเล่าว่าขอแม่เจ้าบุญเรืองอย่าขี่เครื่องเจนกว่า นอเจ้าฟ้าห่อใจจักมาไวแน่มันบ่อสอดดันไปในความมองใจหมนไหมบ่อหอนได้เป็นยาต่างคนจากเก่าถอยมีบ่อโน้ยนานำส่วนนางอาธรรมบาปเศร้าหันคนหนุ่มเท่าคนในไข่กําใหญ่ลมเล่ามีมากเต้าหลายอัน สองสามวันมารอแสงละตอดมองเงาแสงบรรเทาตำก้อยก้อยละปล่อยเครื่องกามีหน้าตาจืนจ้อยขึ้นเตือนน้อยตามรายก็มีฮันแลนาะ <c oughs> ทีนี่จากวันนานาจะรอถึงนางยอดปินคำอันนางอาธรรมใจบาปเกินขาดาบฮักคอ ทางสบโหน้อยหนาชีวิตขาดเป็นผีในโบคารณีกว้างใหญ่ดังก่าไว้ยไปหลังอัยังไปแจ้งพระจิงแสงเทสนาว่าสามริตานาปาตุ ม, มากะเพอธาทิวสิดังนี้เป็นตน้น พีกาเวดุราพีโกตั้งลายอันเป็นสายริญยาเจ้าตุกคำเจ้าปำเปเปธรทมส่วนนางปินคำน้อยหนาชีวิตขาดสันดานจิตวิญญาณของข้างในสารกวางโบคารณีเป็นสัมภเวสีขึ้นล่องบอกหูจ่องตั้งไปขึ้นอะไรฮักขอด เถืองดอหยอดบุญธรรมหันดอกบัวคำดวงใหญ่พุ่จากไตวังทานยังไปบ้านกีอาดอกใหญ่กว่าเจ้าจุมดอกลายซุมแวดล้อมลมปัดก้มไปมาก็เอาจิตตาเข้าสู่สถิตอยู่ไปในแห่งดอกบัวใสวิเศษกัณกาละเขตดตึงมาง ก็จกเป็นโอปะปาติกากำเนินพดพจนขึ้นเกิดเป็นคนนางตามุญกินกูบ้บ่อหอนหูตัวตายกึดใจไม่อยู่ท่านอเจ้าฟ้าโปทิญาณเอาปริวานมาเต้ามาแห่เขาวิ่งใจ กันส no ังหรีลงไว้ติบเตดเอาจิตเจดลงลำในดอกบัวคำดวงใหญ่ดังกะว่ายไข่มากินกันธาหนาท้องหอมไข่ห้องโบกกรณียาำลมตีปัดวาดก็หอมสวาดไปไกลถ้าลบไปเสียงไข่ในส่วนใหญ่อุยยานก็มีฮันแหลนา เทกติวสั่งยังมีวันหนึ่งเหล่ามีใจหนุ่มเนาอนาถาเตียวพุทมาติไกลริมสาละแหญ่โบกรณีหันดอกมีบอผ่อนดังแต่ก่อนปังหลังบันหอมยั้งกินดอกหอมลำหมอกนำนามันสังกาบอเล้วะกูมาเอลไลตี กันธามีหอมอ่อนอยู่ตามบอนบุพาวันนี้นาหอมไวายสละใหญ่โบคารณีกันธามีลำหมอกมาจากดอกดวงใดสังกาใจบอกขาดมันก่อศาดดังหาตามบุพพาโอยใหญ่พับเสียงไข่ตั้งส่วนดอกตั้งมวลหอมอ่อนเหมือนแต่ก่อนเดิมมา ส่วนกินกันท่ารถเร้าหอมมากเต้าเอาใจมาจากในไปรู้นางดังกินกู่จุนจันมันไผ่พันอ้อยนาลงสู่ตาบกรณีดอกบัวมีหลายแหล่บานกี่แผ่ทองทมมันแอวดมมาไข่กอบใจดวงได้มันแลไปตีไก้ก็หันใส่บัวตุม ใหญ่กว่าชุมเจ้าหมูตั้งการอยู่ดูงามตนใจรำลมเนาก็รีบเข้าไปหาหน้าก้มมาดมกาบหอมสาราบตั้งคิงดังกินหญิงสาวน้อย หอมจืนจ e ้อยปลาเม้ามันเด็ดเอ้าบ่อจ้าวางบนบาเตียวมากินกันท้าลายแล่ก็หอมแพ่ต้วมันมันพายพันฝังเฝ้าปอกสู่ดาวเกหา ปิดจารณากดใดว่าดอกนี่ใหญ่กวรอ้ามพอดูงามบ่อนยหอมจืนจ้อยเอาใจหอมไปไกลลำหมอกบ่แม่นดอกธรรมดาเทียงเป็นบุพภาวีเศษมาจากเขตเมืองบนบ่กวน้นไผ่ไตจากเก็บใบดมดมกวรอินพมเตเป้าอันอยู่ดาวสวรรค์ เรือเจ้าหอจันยศใหญ่กวนเมื่อไว้หอคำกวนกูนำไปรอถึงเต้าหยดเหนือหัวท้าไหยดอกบัวรถเราเือเต่าเจ้าใจบานใจคนผ่านเกิดแล้วก่อกาดแก้วเร็วไวเข้าเวียงใจแต่ต้องขึ้นสู่ห้องผังกา ถาวายป้าตุงมาดวงใหญ่อันหอมไข่รงกันแก่เจ้าหอจันพรหมมัตตราแล้วโอกาสทุนสาให้ขีญาเหล่าเก้าเฮเต้าเจ้าตามมีกอมีหันและนาะ โสราจ้าอันวาพาญาพรห ม, มทัตยศแยวตนภาพดาวปุรีปิติมีจชมชื่นกองหืนยืนถวายปันยังรางวัลบากเต้าแก่ใจหนุ่มเนาคนผ่านพระผู้บา้านยศใหญ่ลืมมนไม่บ่องเงาย้อนใจเมาจมดอกกันถ้าออกหอมไกล เจ้าใจได้แล้วยังดอกแก้วปตุมมาก็ขึ้นหาใจสอดถึงนางยอตีวีว่าดอกดวงดีรถเร้ากวรแก่เจ้าจาญาจักรักษาเมียไว้ในตีไก่จองนอนพระผู้ทอนพรหมตตราดก็ฮืออามาต่างตานำปตุมมาวิเศษไปสู่เขตหอใน ทวายสายใจแม่เจ้าอันโศกเศร้ามองขีนังเทวียดใหญ่ได้ดอกไม้บัวตุ่มโศกทุกซุ้มหลายลากาะก้อยผากไม้ลาย้อนกันท่ารถเราสระบเข้าถึงใจนาบ้านใสจืนจ้อยหายต่ำก้อยเสืองกานางปาราแม่เจ้าซ้ำคุดเหล่าในใจ ว่าดอกบัวใสาหอมหืนป้าใจจืนใจยบ้านกวนสดีดงค้านสะไปจักมีไว้ดอมดมฮือขี่ขมไม่เดือดได้ดหายเหือดบางเบาฮือมองเงาโศกาได้ผักนาลานีจิงฮือตาสีคาใจนำดอกไม่เจียงคาน ไปฮือนางมานนมเนาใจบาปเศร้ามัตตานีก็มีหันแลยนะส่วนอ้างมัตตานีบ่าไปหันนขาใจกันยานำบุพพาหอมหือนมายกยื่นยอดถายมีใจพ่ายจื่อสู้ว่ากูได้อยู่ห่อใจ เป็นสายใจสะพ้ายเจ้าแม่ไทยเตวีคุณธรรมีบ่อนอหน้อยค้าคอยต่างตานำบุพพาผาเสิดกันท่าเลิดมาปัน่นบุญบ่ตันแต่เล่าได้เป็นเจ้าห่อคำนางอารมใบบอดบ่ อ, บอคือตรอดถึงตัวกำดอกบัวดวงใหญ่สุดดมควยไปมา กินกันท่าลอยแลสสารแผ่ตั้งคิงดาซมิงใจขาดในภาสาดหอใจนางจังไรบาปเศร้าดมแถมเล่าลายตี สัญญาบีก็ตรอดว่าเหมือนกินยอดปินคำอันตนนำไปคาเฮความนาเป็นผีในโบคารณีกว้างใหญ่บัวป้านไข่ส่วนกันรอยผีมันไข่หลอกติดตัวดอกมาจูถึงตนกูแต่ใส่กันเก็บไว้ไปนานจักเป็นมานมาล่างเอกูมั่งอินที ดอกบัวมีลายซำกูหูพัจูอันอันกันถ้ามันหอมจืดยามยกยืนยอดดมหอมตัวลมซอยซอยหอมอ่อนอ้อยเอาใจ ดอกดวงใสนี่ใสพอดูใหญ่เดือตากินกันท่าสวยแสงดังกูแปงจุนจันสังร้อมกันใส่เข้าหอมรสเล้านานำเมือนกินปินคำนอลา <c oughs> ที่ก si no ูข้ามันตายมันอีผีพายแต่แล้วกูสับแซลมันมามันโกธาโคดกาจากตัวฆ้าตนกูจิงติดมาจูตัวดอกเพื่อจักลอกกูนางหื้อตายกลางภาษาที่ใส่หยาจองนอนกูกวนถอนเอาดอกสัดขว่างออกเสียไก่กันกึกใจเสียงขาดนางน้อยหนาดบัตตานี รูบงามดีใจถอยก็เอาดอกซอยบัวไข่อันงามใสว่าว่องสั์ออกป่องเบ่งจอนตกดิน้อนต่ำไต่จิ้มไก่ต่างเตียวก็มีวันนั้นเลยนะ นี่ที่ตั้งขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุนา่งมากปิ้นคำผูกทวนเจ็ดยังไปเสซจสุดยอดนางใบบอดมตะนี้ซัดดอกบัดีว่าว่องออกจากป่องเบ่งจอนตกดินดอนต่ําไตที่จิ้มไก่ตั้งเตี้ยวไผ่จักเหลวและพอยังดอกจอบัวไข่ จะเป็นสันใด้แถมเหลากันหนุ่มเทาใจยิ่งยังขาดิงใจจอดไข้หูรอดเถึงปลายจุงคงควายอย่าขาดมาใส่บาทตั้งวันแต่งดาคันไห้ทาฟังผูกนาตัวไปกันจะไข้เกาวจี้ในผูกนี่สุดปลายก่อนยาวลายนักแก่ จุ่มป่อแม่อ้ า, อาพ่องก่อหาว่างงาปพลางพ่องขาบรับหนจริงจักไขเต่าอีเต่านี่วาดหวังลงกอบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล